คงว่าสังยุนิกายไปสักระยะหนึ่งก่อนน่ะแล้วค่อยไปขึ้นยัตนาบพะในขันธวรวักนนเน่นะวักที่สี่ณตุมหากวักที่สี่นี่ยนะ ว่าด้วยขันท่าไม่ใช่ของใครกรุงสาวัตถีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยบางว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเนี่ยคือมันไม่ใช่ของของของบุคคล น, นั้นจริงๆอะไรเนี่ย เมื่อวัตถุนั้นมันไม่ใช่ของบุคคลนั้นจริงๆะนะนันก็ให้ละคือไอสิ่งที่ตรงกันข้ามบอกว่าถ้าไม่ละก็คือไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยเนี่ยนะแต่คําว่าละหมายถึงการละฉันธราคะนะนนะละไม่ใช่แบบไปเด็ดเหมือนเด็ดดอกไม้หรือว่าเหมือนกับไปถากไปทางทิ้งในลักษณะวัตถุแบบนั้นไม่ใช่แต่หมายคำว่าตัด ฉันทราคะในในรูปเสเพราะว่าถ้าตัดชั้นธราคะในรูปได้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์คำว่าประโยชน์นี้เป็นชื่อของนิพพานเพราะว่าไม่มีประโยชน์ใด ย, ยิ่งกว่านิพพานเนี่ยะเพื่อเกื้อกูลบอกว่าไม่มีสิ่งใดเกื้อกูลเท่าอาริยมรรคน่ะแล้วก็เพื่อเพื่อความสุขเนี่ยนะบอกไม่มีสุขใดเท่าผลสุข เพราะฉะนั้นรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปซะนั่นนะก็คือถ้าเธอทั้งหลายเนี่ยกำจัดฉันทราคาในรูปได้แล้วเนี่ยจักเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นจะได้ความสุขในพระสมาบัติเนี่ยนะเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณ น, นั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะกิดท่าละฉันทราค่าในอุปาทานขันห้าได้ก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่ออริยผลเนี่ยนะนะสูตรนี้แสดงว่าผู้มีปัญญามากมาถึงบอกให้ละเลยเนี่ยนะ ตามสูตรลักษณะเป็นนิเพทภาคยาสูตรเป็นสูตรที่นะเป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสอย่างเดียวนันะหรือว่าถ้าเป็นผู้ที่ฟังแล้วมาฟังอย่างนี้ปั๊บถ้าไม่เคยฟังมาก่อนมากมายอะไรนั่นนะแสดงว่าบุคคลเนี่ยเป็นอุคคติตันญูนั่นนะที่จะฟังแล้วก็ไปเจริญตามนี้ได้เพราะว่าถ้าคนทั่วๆไปบอกละรูปเสียให้ไปทํำยังไง ไปละเวทนาซะไปละสัญญาละสังขารละวิญญาณถ้าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาเลยเนี่ยนะให้ละเอ๊ะละมันดียังไงเนี่ยนะใครมันต้องอธิบายใหญ่โตไปหมดเลยแต่กลุ่มอุคติตันยูเนี่ยนะบอกถามว่าข้อปฏิบัติของท่านเป็นยังไงบอกว่าเนี่ยละฉันธราคะในขันธ์ห้านี่แหละเนี่ยนะเขาฟังเขามองออกหมดเลยเนี่ยนะแต่นี่หมายถึงคนที่มีอุปนิสัยมามากแล้วเนี่ยนะ ทีนี้พระองค์อุปมาว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายเปรียบเหมือนชนเนี่ยพึงนําไปพึงเผาหรือพึงกระทําตามปัจจัยซึ่งยาไม้กิ่งไม้และใบไม้ในเชตวันวิหารนี้ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้หรือว่าชนย่อมนําไปย่อมเผาหรือย่อมกระทําตามปัจจัยซึ่งเราทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่า ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือสิ่งที่เนื่องในตนของข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยนะคือไม่ได้ไปสำคัญว่าไอ้กิ่งไม้ใบญานี่มันเป็นตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าไอ้กิ่งไม้ใบหญาที่เขาถากถางเนี่ยเป็นของเราเนี่ยนะหรือพูดอีกนัยห น, นึงว่าไม่ได้ไปสำคัญว่ากิ่งไม้ใบญ้าเป็นเราเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ได้ไปสําคัญไอ้กิ่งไม้ใบหญ้าเป็นของเราเหมือนอะไรนะพวกอะไรนะหนึ่งจั ก, กรวาลอะไรแบบนั้นต้นอะไรนะคล้ายๆตะบองเพชรอ่ะ น, นะที่เขาปลูกประดับไว้หน้าบ้านอนะ่ะใครเอากระถางนั้นไปทิ้งอ่ะเหเนี่ยนะนะนะเขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเพาะขายกันอก็ปล่อยเซียนอ่อนนะนะะ คือถ้าถ้าไอใครเอาไปตัดอันนั้นจริงๆอ่ะเดือดร้อนแน่นแต่ว่าแต่ถ้าเป็นหญ้าในพระเชตวันเนี่ยถ้าว่าพระพิสุเนี่ยนะทั่วๆไปอ่ะสมัยพุทธกาลท่านจะมาเป็นคนดูแลแต่งสวนเองไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับต้นไม้ใบหญ้าในเชตวันแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้คิดว่าต้นไม้เหล่านั้น่ะเป็นตัวท่านท่านไม่ได้คิดว่าต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยเป็นของท่าน นะถามว่าเป็นของใครก็าบอกเป็นของสงเห็นไหมท่านไม่ได้ไปสําคัญไปเดือดร้อนไปทุกร้อนอะไรกับต้นไม้ใบหญ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมีคนงานมาคอยดูแลตัดถากถางหรือไปเผาทิ้งยังไงเนี่ยนะพระพิสุท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับกับต้นไม้อันนั้นเลยที่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ไปสําคัญว่าเป็นเราในในตัวต้นไม้และก็ไม่ได้คิดว่าอันนั้นอ่ะเป็นของเรา เพราะนั้นถ้าหากว่าเขาเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปทำปุยหมกักเอาไปทำยังไงก็ก็เรื่องงองมันนะนะก็มไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะนัะ้นพระองค์ก็บอกว่าฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะถ้าตัดฉันทราคะในรูปได้ก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง เวทนาก็เหมือนกันนะสัญญาสังขารและวิญญาณว่าวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขเห็นไหมก็นะเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยมรรคอย่างอย่างแท้จริงเลยนะันะ่นก็สูตรนี้คงพอจับใจความได้บ้างนะ นิเพทพากคยะสอนให้ชัมแรกสอนให้ละเลยคือในพระสูตรทั้งหลายบางสูตรก็พูดถึงบุญยะพาคัคยะคือพูดให้เป็นวาสนาไปถ้าอย่างสูตรนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นเรียกว่าพวกวาสนาภาคยะคือพวกที่ฟังแบบนี้จะเป็นไปเพื่อวาสนาต่อไปถ้าฟังแล้วไม่สามารถเอาไปปฏิบัติตามได้ หรือตรัสรู้อย่างแท้จริงเขาเรียกว่าพวกพวกนี้แหละจะได้วาสนาไปแต่หมายถึงคนที่มีศรัทธานในสูตรนั้นนั้ น, น, นก็คือได้วาสนาในสูตรนั้นนั้นตายอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราฟังธรรมะเราจะได้ยินว่าเขาฟังสูตรหรือฟังธรรมะจบเขาจะตรัสรู้อริยสัจเลยถามว่าพวกคนเหล่าที่มาตรัสรู้อริยสัจหรือเทวดาทั้งหลายที่มาตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะ ทำไมท่านเหล่านั้นจึงมาตรัสรู้อริยสัจได้นี่นะก็มีบางแห่งเขาบอกว่าพวกที่มาตรัสรู้เนี่ยพวกนั้นอะคือยินดีที่จะมาตรัสรู้กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนี่นะถามว่ากลุ่มไหนกลุ่มที่เวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปพบพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็จะไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆนี่นะก็คือไปสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าต่างๆ พระพุทธเจ้าองค์ต่างๆก็จะพยากรณ์ว่าท่านนี้นะจะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นว่าถ้าพระพุทธเจ้าทีปังกรก็บอกอีกอสีอสงไขยแสนกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอย่างไงไหรือพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งหลังจากนั้นอีกอสงไขยพระพุทธเจ้าโกนธัญญาหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้ามังคละก็จะพยากรณ์ ทีนี้ในระหว่างการพยากรว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยอนาคตต่อไปจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีพวกบางคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะที่มาเห็นเหตุการณ์นั้นเขาก็เลยคิดว่าอะนที่เขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยบอกว่าเรานะถ้าข้ามข้ามฟากด้วยอนะด้วยเรือลำนี้ไม่ได้เราก็จะไปคอยข้ามท่าข้างหน้าต่อไปคือหมายคขาว่าถ้าเขาไม่บรรลุในธรรมะของพระพุทธเจ้า เขาก็จะไปคอยบรรลุจในในใ น, ในธรรมะของพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์นี่แหละนะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นพวกที่มีฉันทะมีเอ่อเรียกว่ามีฉันทะร่วมกันน่นะมีความพอใจร่วมกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องมาคอยฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังเนะี่ยเขาจึงจะตรัสรู้นะนะเพราะฉะนั้นแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนในสมัยก่อนเขาจึงฟังแล้วเขาตรัสรู้เนี่ยนะนะ ของเราก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่ายัางไงขอให้ฟังทำแล้วก็ได้ตรัสรู้แต่สมัยก่อนเขารู้นะว่าเขาตรัสรู้อะไรน่แหละถ้าอย่างของเราทั้งหลายก็น่าจะพอรู้แล้วมั้งถ้าเราจะตรัสรู้ตรัสรู้อะไรนี่นะตรัสรู้ว่าอย่างไรตรัสรู้แล้วดียังไงนี่นะก็ต้องอันนี้ต้องชัดเจนเป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าเขาให้เลือกบรรลุแล้วยังไม่รู้ว่าจะบรรลุอะไรเลยเหมือนกันนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนั่นะ อีกสูตรหนึ่งสูตรที่สองนี้ต่างจากสูตรแรกเพราะไม่มีอุปมาเท่านั้นเอ ง, องนี่ไงคือบางคนเนี่ยฟังธรรมะเข้าใจเพราะมีข้ออุปมาบางคนนี่ไม่ต้องไม่ต้องมาอุปมาบางคนนี่ถือว่าอุปมาเนี่มันย่นเยอะมากฟังแค่นี้ก็เข้าใจและนั่นะคือตอนที่ว่าฟังแล้วเข้าใจเลยหมายถึงบุคคลที่ที่จะฟังแล้วตรัสรู้นะเขาเขาเน้นเฉพาะตรงนั้นอย่างเดียว แต่ว่าหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งละเนี่ยนะแต่ว่าอย่างพระธรรมทั้งหลายในสมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์จะเน้นให้ให้เขาฟังและเขาแทงตลอดอริยศาสตร์ได้เลยเนี่ยนะบรรลุมรรคผลเลยแต่อย่างในยุคหลังๆก็เป็นการฟังธรรมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังเพื่อให้ฟังสิ่งที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยเข้าใจชัดยิ่งขึ้นเพื่อฟังแล้วก็จะได้ตัดความสงสัย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 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยย่อที่ข้าพระองค์ฟังแล้วพึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิด น, นี่ก็มาขอฟังธรรมะสั้นๆเ น, นี่ยนะที่ฟังแล้วก็เอาไปหลีกเล่นเอาไปพิจารณ า, นานแล้วก็ ส่งจิตไปในนิพพานยหงนั้นเถอะน้อมจิตไปเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นจะน้อมจิตไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานเลยลักษณะนี้คือการขอกรรมาฐานของสมัยก่อนนี่คือการเข้าไปขอกรรมาฐานนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลย่อมครุ่นคิดถึงสิ่งใดย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น บุคคลย่อมไม่คุ้นคิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ถึงการนับเพราะสิ่งนั้นเนี่ยนะอนุเสติอนุสั่ยนะคือถ้าไปมีอนุสสยกับสิ่งใด่นะก็นับเนื่องในสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีอนุสัยในสิ่งใดก็ไม่นับเนื่องในสิ่งนั้นน่นะมาจากบาลีว่าอนุเสติเนี่ยนะเรียกว่าอนุสะนะอนุเสติก็คืออนุสยะนั่นเอง จะคล้ายๆเจตนาสูตรนะในสังยุตตนิกายนะใช้พยัญชนะเดียวกันทีนี้พอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสยอ่ยออย่างนี้นะที่ย่อว่าบุคคลย่อมครุ่นคิดถึงสิ่งใดย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้นบุคคลย่อมไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ถึงการนับเพราะสิ่งนั้นท่านฟังบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้ว อันนะฟังเขารู้เรื่องเลยนะว่าหมายเขาว่ายังไงนะเขาบอกว่าถ้าครุ่นคิดถึงสิ่งใดเนี่ยนะแล้วหมายเขาว่าย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้นอธิบายว่าบุคคลครุ่นคิดถึงรูปเนี่ยนะด้วยการมราคะเป็นต้นใดความครุ่นคิดอันนั้นก็ย่อมถึงการนับบัญญัติว่ารักแล้วโกรธแล้วหลงแล้ว คือถ้าไปไปครุ่นคิดโดยมากก็คิดถึงขันห้าก็ไม่ได้คิดด้วยกุศลอะไรใช่ไหมโดยโดยมากนะเว้นไว้แต่ผู้ที่น้อมจิตไปในวิปัสนาแต่โดยปกติคิดถึงขันห้าก็ด้วยอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นพอคิดป๊บได้ชื่อหรือได้บัญญัติว่าเธอเนี่ยโลภแล้วนะโกรธแล้วนะหลงแล้วนะ พระพุทธเจ้าก็ถามว่าก็เธอเข้าใจเนื้อความคําที่เรากล่าวโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูปย่อมถึงการนับพระรูปนั้นเนี่ยนะคือถ้าครุ่นคิดถึงรูปเนี่ยนะด้วยอํานาจของกามราคะเป็นต้นหรือด้วยกามาวิตกเป็นต้นก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นผู้ที่มีความโลภความโกรธความหลงในในรูปแล้วเนี่ยนะ ถ้าครุ่นคิดถึงเวทนาสัญญาสังขารหรือครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ย่อมถึงการนับเพราะวิญญาณอันนั้นคิดถึงวิญญาณก็มีโลภมีโกรธมีหลงในในวิญญาณนั่นแหละนะนี้เป็นธรรมะฝ่ายวัฏะเนะี่ยแค่นี้ทุกขสัมภูทัยนี่เท่ากับแสดงเสร็จแล้วทีนี้วิวัตฏะบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการนับเพราะรูป ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงรูปด้วยอำนาจของฉันทราค่าเป็นต้นนะหรือการมราค่าเป็นต้นก็ไม่ไปบัญญัติว่ามีความโลภความโกรธความหลงในรูปแล้วถ้าไม่คิดถ้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ไม่ถึงการนับพระวิญญาณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้านนะตรัสแล้วโดยย่อได้โดยพิศดารอย่างนี้แหลนะก็ยังย่ออีกนั่นแหละถ้าสำหรับเราอ่ะนะขาดท่านเข้าใจแล้วก็ยังย่ออีกสำหรับเราผูธเจ้าก็บอกถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าสาธุดีแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วพระองค์ก็ตรัสรับรองอีกครั้งหนึ่งว่าที่เธอคิดเนี่ยถูกแล้วอนนะน ฟังง่ายๆมากเลยนะถ้าครุ่นคิดถึงสิ่งใดย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้นอันนี้ทุกข์มุทายสัตว์เรียบร้อยถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ถึงการนับเพราะสิ่งนั้นอันนี้เป็นมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์เนี่ยนะก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านมาขยายให้เป็นมาขยายทุกข์สัตว์ให้ชัดขึ้นว่าขันห้านะนะขยายขันห้าขึ้นมานะให้เห็นเป็นขันห้า พระองค์ก็รับรองว่าเออเธอเข้าใจถูกแล้วนี่นะนี่คือการให้กรรมฐานนะให้ย่อมากกรรมฐานครั้งนั้นและพิสูรรูปนั้นเพลดิดเพลินอนุโมทนาพระภาสิตธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหลเธอได้เป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียร น, น, นะมีใจมั่นคงให้มั่นคงตัวนั้นอนะ่ะพหิตตัดโตนะ คือเป็นผู้ที่มีจิตส่งไปแล้วเนี่ยนะแต่โดยสัพหมายถึงว่าผู้มีมีตนเนี่ยส่งไปแล้วส่งไปไหนส่งไปในอริยมรรคและพระนิพพานเนี่ย น, นะก็ เ, ะเป็นผู้ที่มีความเพียรมีมีตนเนี่ยส่งไปแล้วส่งไปในอริยมรรคและนิพพานไม่นานเท่าไหร่ก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็พิสูจน์นั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายนะนะก็ไปขอกรรมฐานพระพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานแบบอริยสัจมาย่อๆน่นะนะท่านก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไปเจริญอย่างนั้นแหละนะ่ คือฟังเข้าใจแล้วว่าคําสอนเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะให้ถ้าไปหมกมุ่นเพลดิดเพลินในขันห้าอันนี้แหละเป็นเหตุเกิดของวัฏทุกขละถ้าไม่เพลดิดเพลินในขันห้าอันนี้นดับวัฏทุกได้อะ น, นะที่เหลือไปทํำยังไงที่จะไม่เพลดิดเพลินในขันห้าได้นะอันนะนะั้นแหละเป็นกิจที่ท่านไปทําไปพอกพูนท่านก็เห็นอริยสัจตรัตรสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกตุ่งข้าใจในในพยัญชนะครับ คือที่บอกไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ่นคิดไม่คิดเนี่นะถ้าไม่คิดเนี่ยคนฟังไม่ดีขมภาระเลิกคิดเรื่องนะเนี่ยอันนี้อันนึงนะครับอแต่ว่าในอัตถกาถาบอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คิดไปในด้วยอํานาจของโลภะโทสะโมหะมันนั่นเดือดใช่ไหมฮะแต่ถ้าคิดไปในเรื่องเนี่ยขมภก็ไม่เป็นไรนั่นนะคื อ, คอคก็ส่วนที่สําคัญเนี่ยนะ ขันห้าก็นับเป็นปริญยาธรรมอยู่แล้วนี่แหะโดยโดยธรรมดานะโดยธรรมดาก็รู้อยู่แล้วว่าขันห้าเป็นปริญยาธรรมเป็นธรรมที่ควรเข้าไปรอบรู้แปลว่าไม่ใช่ว่าอย่าไปครุ่นคิดไม่ต้องไปสนใจขันห้าเลยนะไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เพราะว่าไอ้คําว่าครุ่นคิดเนี่ยถ้าเป็นเป็นคนสมัยก่อนเข้าฟังบอกว่าพุทองค์ตรัสว่าอนุเสติเนี่ยนะก็คือหมายถึงอนุสัยนั่นเองหมายถึงว่าถ้าเธอเข้าไปมีกิเลสใน ในในขันห้าเธอก็นับเนื่องเลยนะนับว่าโลภะโทสะโมหะเกิดแล้วถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดอะไรเกิดอกอุปาทานก็เกิดถ้าอุปาทานเกิดภพก็เกิดถ้าภพเกิดชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมณนัตอุปาญาตก็เกิดอยู่แล้ว น, น, นะนะแต่ถ้าเธอไม่คุ้นคิดหมายถึงว่าถ้าตัดราคะโทสะโมหะในในขันห้าได้เนี่ยนะถ้ากิเลสดับอะไรดับ กรรมก็ดับถ้ากรรมดับแล้ววิบากก็ถึงความสิ้นไปวิบากก็ไม่เกิดขึ้นคือสมัยก่อนนี้เขาเขามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้วว่าการพิจารณาธรรมะทั้งหลายเข า, เขาเพื่อเขาต้องการตรัสรู้อริยสัจที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะนั้นเขาจะมองเป็นเป็นอริยสัจหมดไปเขาจะไม่ได้มองมาเป็นข้อปฏิบัติว่าไปคิดอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่ควรคิดอไอ้แบบแบบแบบง่ายๆแบบในยุคนี้เขาทําไม่ใช่เลยคนละงานเลยนะ เรื่องกันเลยอนุเสตินี่แปลว่าแปลว่าคิดเฉยๆหรือว่าโดยท <ๆๆ S 1> ั่วๆก็แล้วแต่นิยมแปลอนุเสติจริงๆสัมแปลว่าอะไรก็บางทีอัตถกถาถ้าเป็นในนิทานวักน ะ, ะเจตนาสูตรก็หมายถึงอนุสใส่ะะคือตัวอนุสัยนั่นเองอแต่ว่าไทยนิยมแปลสับว่าอนุเสตินี่แปลว่าย่อมครุ่นคิดก็ในเจตนาสูตรนั่นเนะ ที่คุณถามคุณทเรนีเขาไปดูดีกามาแล้วเข้าใจขนาดไหนก็ไม่ทราบพอไปถามมาสูตรนี้เข้าใจยากมากเลยเจตนาสูตรเนี่ยนะแล้วอีกคํานึ่งนะฮะอีกคำหนึ่งเนะนี่ยนะนับนี่ยังไงครับภาษาภาษาบาลีว่าอะไรนะเออสังคังเออสังสังคนะังเนะ น, นี่ยนะขอไข่นีคล้ายคสังขยาเนะียสังสังขสังคังสังขา น, ะนะขั่นแหละขอขอระคับนี่นะขอไข่ขอไ ข, <อ>ข่ เพราะใครสังขนั่นแหละสังขังอ่ะสังขะนั่นแหละอันนี้ะแปลว่านับอ่ะ่นนับสังขยานั่นแหละคล้ายๆสังขยามันยังไงครับบทว่าเตนะสังขังคัจฉะเนี่ยนะก็ย่อมนับในในสิ่งนั้นนั่นแหละคำว่า อธิบายว่าความครุ่นคิดถึงรูปนั้นด้วยความคุ่นคิดอันใดในการ ม, มาราคะเป็นต้นด้วยความคุ่นคิดนั้นนั่นแลย่อมถึงการนับคือบัญญัติว่านะนับในที่นี้แปลว่าบัญญัตินะบัญญัติว่ารักแล้วโกรธแล้วหลงแล้วเนี่ยนะก็แปลว่ากิเลสมันเกิดแล้วนะถ้าไม่มีอัจฉริยอธิบายก็ ก, ก็คงยากทีเข้าใจมพสั้นมาก ถึงอัตกถาอธิบายถ้าไม่ไม่ได้ศึกษามามากก็ก็ไม่เห็นอธิบายอะไรเลยไงนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็นับว่ายากคําสอนนี้ลึกซึ้งสี่ประการลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยทำลึกซึ้งโดยเทศนาและก็ลึกซึ้งโดยปฏิเวทเนี่ยนะก็องค์ประกอบก็ค่อนข้างมากหน่อยสูตรที่สองก็ นัยยะเดียวกันนะครุ่นคิดเหมือนกันแต่เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลครุค่นคิดถึงสิ่งใดย่อมหมกมุ่นสิ่งนั้นหมกมุ่นสิ่งใดย่อมถึงการนับเพราะสิ่งนั้นอันนี้คือขยายคําว่าครุ่นคิดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนี่ยนะถ้าคิดอะไรมันก็หมกมุ่นกับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะถ้าหมกมุ่นกับสิ่งใดก็นับว่าเกิดกิเลสในสิ่งนั้นแล้วนะ ถ้าไม่คุ้นคิดถึงสิ่งใดย่อมไม่หมกมุ่นถึงสิ่งนั้นไม่หมกมุ่นสิ่งใดย่อมไม่ถึงการนับเพราะสิ่งนั้นโดยทั่วๆไปถ้าคิดถึงหรือหมกมุ่นเนี่ยนะในอะไรก็มีไหมพ้นขันห้าก็ไม่มีอยู่แล้วคือในชั้นแรกเนี่ยนะต้องพิจารณาทุกสิ่งให้มันเป็นขันห้าให้หมดก่อนเนี่ยนะแ ล, แล้วจะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะเนี่ยนะคือให้มองทุกเรื่องเป็นขันห้า เพราะว่าถ้าว่าให้ตรงนะสูตรเนี่ยถ้าถ้าถ้าขยายตามแนวพยัญชนะเนี่ยจะเขาจะมองแบบอุทยพยัญาณยาขึ้นไปเขาจะไม่มองแบบมากําหนดนามรูปแยกเป็นขันเป็นอะไรเขาไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังพระพิสูจน์ที่มาถามเนี่ยพรรษาเท่าไหร่เนี่ยนะบางทีอ่ะยี่สิบสาสิพรรษาแล้วนี่ยติดตามพระพุทธเจ้ามาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่นึกอยากหลีกเก้นขึ้นมานะก็เลยเข้าไปขอกรรมะฐาน ไม่ใช่พระที่เพิ่งบวชสองวันเน่ <c oughs> นะก็หมายถึงภิกษุรูปนั้นพอฟังแล้วท่านก็บอาว่าข้าพระองค์เข้าใจแล้วนะนะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วดูก่อนภิกษุก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวโดยย่อดได้โดยพิสดารอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูป ย่อมหมกมุ่นรูปใดย่อมถึงการนับเพราะรูปนั้นเ น, นี่ยนะก็อัตกถาอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าบทว่าตังอนุมียติเ น, นี่ยนะความว่ารูปที่เขาคุ่นคิดนั้นย่อมตายไปตามความคุ่นคิดที่กำลังตายไปด้วยว่าเมื่ออารมณ์แตกไปธรรมะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์นั้นก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เ น, นี่ยนะคือถ้า ถ้าขันเปลี่ยนไปเนี่ยนะจิตหรือนามธรรมทั้งหลายที่ไปคิดถึงขันเหล่านั้นก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บทว่ายังอนุมัยติความว่ารูปใดาตายไปตามความครุ่นคิดใดบทว่าเตนะสังขังคัจฉิความว่าด้วยความครุ่นคิดนั้นบุคคลย่อมถึงการนับว่ารักโกรธหลงอีกอย่างหนึ่ง ยังนี่เป็นตัตยาวิพัฒน์ความว่าบุคคลย่อมถึงการนับว่ารักโกรธหลงด้วยความคุ้นคิดถึงรูปที่ตายไปนั้นเห็นมจริงจริงรูปนั้นก็หมดไปแล้วแต่ว่ากิเลสเนี่ยเข้าไปผูกพันไปหมกมุ่นถ้ามองเป็นกรร ม, มวัดก็ไปทำกรรมกับอารมณ์นั้นแล้วนะเนรูปนั้นเป็นอา ร, รมณปัจจัยของกรรมแนละกรรมนั้นก็จะเป็น นา น, นักขัดคนนี้กับกรรมต่อไปแต่ทีนี้ไอ้กรรมอ น, นั้นเนี่ยเป็นกรรมที่เจือด้วยก็ด้วยกิเลสเนี่ยนะเจือด้วยความโลภความโกรธและความหลงก็สมัยก่อ น, นีนท่านก็เก่งจริงๆนะมองพิจารณาเป็นการไปครุ่นคิดไปหมกมุ่นถึงขันห้าไปเพลิดเพลินในขันห้าตัวนี้แหละจะพาให้ ให้จมอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะแต่ถ้าไม่คุ่นคิดไม่เพลิดเพลินในขันห้าอันนี้แหละจะทำให้พ้นจากวะะัฏะัน